3. อุชาปน ก, กะสิกขาบท 66. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะกล่าวให้ผู้อื่นเพ่งโทษเพราะบ่นว่าณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงราชครืถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพพระเมติยะและพระภูมิชะกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พระเมติยะและพระภุมมะชะกะกล่าวให้ภิกษุทั้งหลายเพ่งโทษท่านพระทัพพระมลบุทในอุชาปนากะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทรฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุทฐาน